บทภาชณีติกะปาจิตตีร้อยเก้ามาตุคามภิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามนั่งในที่รับสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนั่งในที่รับสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีมาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนั่งในที่รับสองต่อสองต้องอบัตติปาจิตตีติกะทุกกฏภิกษุนั่งในที่รับกับนางยักษ์นางเปรต บรนดอหรือสัตว์ดิรัชานมีกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงสองต่อสองต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบาัต